กรรมใดทำให้เป็นหญิงร่างสูงหาคู่ยากถามกรรมอะไรทำให้เป็นผู้หญิงตัวสูงและหาคู่ยากตอบอันนี้เป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละคนมากกว่านะครับเพราะข้อเท็จจริงคือตัวสูงไม่ใช่จะหาคู่ยากเสมอไป ผมเคยรู้จักกับลูกเครึ่งหน้าตาดีคนหนึ่งสูง175แต่ก็มีแฟนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็มีเรื่อยๆไม่เคยขาดสายเลิกกับคนหนึ่งก็มีคนใหม่เกือบทันทีตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกเรียบร้อยไม่เดือดร้อนอะไรกับสริระของตนแต่อย่างใดแล้วลองมองไปอีกทางหนึ่งดูแม่มทั้งหลายจะเห็นว่ามีส่วนสูงเฉลี่ยเกินกว่าหญิงไทยมาก พวกเขาก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะชายในประเทศเดียวกันสูงกว่าเขาเยอะแยะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้เห็นว่าถ้าตัวสูงถูกที่ถูกทางเกิดในพงพันธ์ที่เหมาะสมก็หาใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างใดไม่อีกข้อสังเกตคือผู้ชายหลายคนไม่ได้แคร์เรื่องส่วนสูงสักเท่าใดกายของตนจะเตี้ยวกว่าหญิงก็ช่าง ในเมื่อมีอีกหลายคุณสมบัติที่สูงกว่าหมายความว่าถ้าปมเขื่องอันเกิดจากฐานะร่ำรวยหรือเกิดจากผลงานอันยิ่งใหญ่หรือเกิดจากอิทธิพลอันกว้างไกลเกินรูปร่างหน้าตาไปมากๆเขาก็จะไม่สนใจส่วนต่างระหว่างร่างกายของเขากับคนรักเลยเว้นแต่ส่วนต่างดังกล่าวเข้าขั้นเน้นให้เกิดปมด้อยรุนแรงเกินกว่าที่ปมเขื่องจะรับมือไว้ เช่นยืนคู่คุณเธอแล้วเหมือนเต่ากับยีราฟอันนั้นค่อยหน้าให้เกิดอาการรับไม่ได้ขึ้นมาสรุปคือการหาคู่ยากเนี่ยจะไปโทษส่วนสูงอย่างเดียวคงไม่ถูกนักคุณต้องหาตัวการที่ใช่อย่างจังจังให้เจออย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน คอยกเอาตัวอย่างที่มีภาวะสอดคล้องกันระหว่างกรรมในอดีตกับอัตภาพปัจจุบันคืออดีต ท, ทำกรรมมาอย่างที่สมควรจะมีร่างสูงเด่นแล้วก็ยังประกอบกรรมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเธอตัวสูงเรียนสูงความสามารถสูงความตั้งใจสูงทุกอย่างสูงไปหมดจนกระทั่งหาชายที่สูงเท่ากันไม่ง่ายแม้มีคนมาชอบเยอะ ก็เหลือตัวเลือกที่เข้ากันจริงๆน้อยมากเมื่อเล็งให้เห็นนิสัยเด่นๆก็จะพบว่าเธอเป็นคนฝ่ายดีใจบุญนั่นเป็นผ้าขาวแล้วก็ทำให้มีผิวขาวแต่อีกทางหนึ่งคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานอยากเป็นที่หนึ่งชอบเอาชนะแล้วก็มีเหตุผลที่ดีพอจะยืนกรานได้ว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก นั่นเป็นภาคสีเทาคือถ้ามองให้ดีก็เป็นคนกระตือรือร้อนมุ่งมั่นเอาความสำเร็จแต่ถ้ามองให้ร้ายก็คือเป็นพวกก้าวร้าวชอบขู่บังคับฝืนใจคนลักษณะเด่นที่อยากเป็นหมายเล่หหนึ่งในทุกเรื่องและชอบเอาชนะกันด้วยเหตุผลไม่ใช่เอะอะจะเอาชนะค้าคานกันด้วยอารมณ์เยี่ยงหญิงทั่วไป สะท้อนให้เห็นพฤติของจิตว่าเหมือนผู้ชายนอกจากนี้ยังริเริ่มการบุญอย่างชายมีโครงสร้างความคิดเป็นระเบียบอย่างชายแม้จะรวนเรเจ้าอารมณ์อยู่บ้างก็นับว่าน้อยกว่าความอยากมีเหตุมีผลจริงๆหากเกิดเป็นชายซะก็สิ้นเรื่อง แต่นี้จิตกลับยอกย้อนอดีตชาติติดใจความเป็นหญิงอธิษฐานเอาสวยเอางามอย่างหญิงผลที่งอกเงยอย่างชัดเจนในชาติปัจจุบันคือมีรูปงามแล้วก็มักจะไปอยู่ในที่ที่มีแต่ตัวเองสูงเด่นเหลียวไปรอบตัวหาใครผงาดขึ้นมาเทียบยากผู้หญิงจะรู้สึกเป็นผู้หญิงก็ต่อเมื่ออยู่กับผู้ชายสักคนที่แมนมากๆ จนทำให้รู้สึกชัดว่าฝั่งนั้นชายฝ่ายนี้หญิงสัญชาตญาณทางเพศบอกมนุษย์เราว่าชายควรสูงกว่าหญิงเมื่อเริ่มต้นด้วยการที่หญิงสูงกว่าหรือไล่เลี่ยพอฟัดพ่อเหวียงกันมากอารมณ์ประมาณอยากได้เป็นแฟนก็เกิดยากแล้วถ้าบวกกับที่ความสามารถเหนือกว่าคิดอ่านได้ทะลุ ก, กว่าเถียงเก่งกว่ามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ โดยมากเขาก็าแอบมองอยู่ห่างๆกันถ้าหากเคยชมชอบริเริ่มการบุญหว่าล้อมชักชวนให้คนอื่นมาเข้าทางบุญเคยเป็นผู้นำบุญที่ประสบความสำเร็จมาก่อนก็มักจะเป็นตัวของตัวเองตามใครยากและหากมาเจอแฟนที่ยังไม่ค่อยมีอัธยาศัยในทางบุญแก่กล้านักก็มักทุรนทุรายจะพยายามเปลี่ยนแปลงเขาแบบหักด้ามร้าด้วยเขา เอาเหตุผลเด็ดๆไปบีบจนเขาหน้าเหลืองหลายครั้งอาจเหมือนผู้ร้ายหรือคนเลวไปเลยเมื่อไม่ยอมตามมายดีๆพอครบสนิทกันด้วยอาการเยี่ยงนี้ก็คาดเดาไม่ยากในที่สุดต้องเกิดปากเสียงด้วยระดับศรัทธาที่ล้ำเหลื่อมกันนั่นเอง ตอนแรก แ, รกแฟนอาจพิสมัยใบหน้าจดจ้องเอาชนะอย่างน่ารักเหมือนเด็กสนของคุณแต่นานไปพอคุณเริ่มหมดความเกรงใจขี้เกียจทําท่าน่ารักเย้าแย่ให้เขาหลงไหลเขาก็อาจคอตกละเหี่ยวใจกับใบหน้าจ้องเอาชนะอย่างจะกินเลือดกินเนื้อของคุณแทนผู้ชายทุกคนอย่าเป็นพระเอกของคนรักแต่เมื่อคนรักจะมาแย่งตําแหน่งพระเอก เบียดเข้าไปเป็นพระรองความภูมิใจในความเป็นชายก็ต้องหดหายเป็นธรรมดาเมื่อนางเอกหายไปเหลือแต่พระเอกเพศหญิงกับพระรองเพศชายภาวะคู่รักก็ต้องแหว่งวิ่แงๆอยู่แล้วประมวลแล้วกรณีนี้กรรมวิบากบอกกับเราว่าถ้าสั่งสมกำลังบุญไว่มากพอเมื่ อ, อยากเด่นก็จะได้เด่น แต่ในที่สุดก็เจอแต่คนได้วกว่าไม่เว้นกระทั่งคนรักหากชอบเอาชนะและยอมใครไม่เป็นในที่สุดก็จะแพ้ความเป็นที่หนึ่งที่น้างหงอยเหงาของตัวเองจนได้โดยเฉพาะขณะกำลังครองอัตภาพหญิงใจคุณมีมโนภาพเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรต่อไปก็ครองร่างอย่างนั้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้หากอยากแก้ ก็แก้ที่กรรมโดยพิจารณาว่ากรรมใดเกินพอดีย่อมให้ผลไม่พอดีอะไรไม่พอดีก็ลดลงซะถ้าชอบเอาชนะแลวรู้สึกถึงความก้าวร้าวก็ลดความก้าวร้าวด้วยการชนะใจตัวเองไม่แสดงความโกรธให้เขาขยาดไม่แสดงสีหน้าคู่แข่งให้เขาเห็นกับทั้งไม่ดึงดันร่ำเรื่อแม้รู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก เขายังไม่อยากก็อย่าเพิ่งไปยื้อยุดจุดกระชากให้ระคายแค่ฝึกคิดฝึกพูดฝึกทำแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้ก็ถือเป็นกรรมที่ก่อมโนภาพตัวตนใหม่อ่อนโยนลงตัวเล็กลงมีความเป็นหญิงมากขึ้นกับใครอื่นที่ไม่ใช่แฟนก็เช่นกันครับขณะคิดขณะพูดขณะทำอะไร สำรวจมนโนภาพในใจตนเองว่ายังรู้สึกว่าเป็นอะไรสูงเด่นเกินศีรษะชาวบ้านหรือเปล่าถ้าใจยังติดอาการทยานขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งแถมยังห่วงภาวะสตรีแห่งตนอยู่เหมือนเดิมเกิดใหม่ก็กลายเป็นหญิงเด่นที่มีแต่คนด้อยกว่าอยู่รอบข้างร่ำไปนั่นเอง